อขอคาอวาหลวงพ่อ <c oughs> ที่เป็นประธานแล้วก็หมู่คณะแล้วก็ญาติธรรมทำตามสบายการที่ไดเ้เค้าไปเก็บอาหลวงก็หลวงพ่อนี้ตลางตาก็จะขอพูดเรื่องที่ว่าไปเก็บที่อยูอ่ที่พยาว สักหน่อยหนึ่งแล้วก็ถึงจะพลันกลับมาที่ในปัจจุบันที่ทำเส็นงเทีย่ยเราเนาะก็อาตมาก็ได้ห่างไปพอสมควร8ปี9ปีก็ไม่ค่อยต่อเนื่องก็ไปหลงทางด้านวัตถุสินเยอะคดีสติของเรามันก็ไม่ค่อยต่อเนื่องแต่เรารู้อยู่รู้รู้สึกตัว ในขณะที่เราเคลื่อนไหวทางกายหรือรู้อยู่แต่เราก็ยังสงสัยอยู่ว่าอันนี้มันใช่หรือไม่ใช่อยู่ตลอดเวลาพอไปเข้าค่ายอยู่ที่พะเยาหนึ่งเดือนใกล้ไปเห็นความความที่หลวงพ่อท่านเฉลออยออกมาอารมณ์ของรูปนามกระทั่งที่เราสัมผัสนั่นแหละแต่เราก็ยังไม่รู้ชื่อของมันสิ่งสมมุติของมันเราไม่เข้าใจ ก็ได้ไปสัมผัสพอหลวงพ่อชี้ลงไปตรงๆว่าอารมณ์ของรูปนามมันเป็นอย่างนี้แล้วอารมณ์ของนามรูปมันเป็นอย่างลักษณะนี้มันระหว่างสองอารมณ์นะหลงตานี่สัมผัสมาตั้งแต่นานแล้วแต่ครนี้มันมันไม่เข้าใจนพอดีหลวงพ่อไปเฉลยวันนั้นมันทะลุเลยก็รู้สึกว่ากายนี่เบามันเบามากเลยเพราะว่าความคิดมันไม่มีความคิดนี่มันหายไปเลยมันมีแต่ความรู้สึกตัว อ่าในปัจจุบันล้วนๆเลยพอดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็เดินมาหลวงพ่อก็ได้ถามท่านดูว่าหลวงพ่อผมมันทําไมถึงเบาเบามันก็เจ็ตัวมันจะลอยหลวงพ่อเขาบอกว่าอย่าไปอยู่กับมันสิรู้มันดูมันชีเฉยดูมันเดี๋ยวมันก็นากเออไม่ต้องไปอยู่กับมันหรอกรู้แล้วก็รู้ว่าแค่เบาอมาสันผ่านเบามันเบามากๆเลยมันเบาเหมือนก็ตัวจะลอยแทบจะเกาะหลวงพ่อนั่นแหละความเบาของมัน ดวงตาก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้สักทีไม่เป็นปฏิบัติมาเป็นสิบสิบปีมามาดนตรงนั้นน่ยครนี้มันมันดีใจ อ, อย่างบอกไม่ถูกไม่เคยเห็นอารมณ์ น, นี้มาก่อนอคร น, นี้ก็เลยต้องติดตามติดตามอารมณ์ตัวนี้กับหลวงพ่อมาตลอดเวล า, าคร น, นี้พอพอหลวงพ่อสอบ สอบเสร็จแล้วครั้งนี้หลวงพ่อไม่สอบได้วาจามันมีวันหนึ่งท่านไปฟันพึ่งไม้หลวงตาก็ส่งน้ำอยู่ท่านฟันปองปงปอ ง, ปองแต่ธรรมดานี้ตาเราสัมผัสเสียงเสียงหูเราสัมผัสเสียงตาเราสัมผัสรูปที่ท่านสัมผัสอยู่ที่ฟันไม้อยู่ธรรมดามันต้องเกิดสสี่อย่างอารมณ์ทางตาเกิดขึ้นเป็นของร้อนนะันที่เราเสวดไปเมื่อกี้นี่แหละ มันมีทั้งโทสะแล้วมีทั้งโมหะขึ้นมาแต่นี้มันไม่มีเสียงมันสัมผัสมันก็ไม่มีมันล่วงอยังยังเห็นได้ชัดเลยว่าโอ้หลวงพ่ออหลวงพ่ อ, อ, อ, อ, อท่านสอบอารมณ์เราให้เราขึ้นชั้นนี่เองอะขึ้นจากอารมณ์ตัวนี้เรเหล่านี้ที่เรา ค, คุกคีกันมันมาตลอดอื ค, คุกขีมาตลอดก็เหมือนกับอย่างที่ว่าโยมเพขาวไม่ขาว อ่าทำไมที่เราหลวงพ่อทำไมถึงต้องเปลี่ยนอารมณ์พวกเราอยู่ตลอดในทุกิริยาบนอ่าเดี๋ยวให้เดินอ่าเดี๋ยวให้เดินเดี๋ยวให้นั่งพรา อ, อะไรท่านเปลี่ยนท่านรู้จกากอาเวลาอารมณ์ของเราเออท่านไม่ให้ติดติดสุขแต่ท่านพยายามทําให้เรานั้นนะ่ะให้รู้จักรู้จักเท่าทันความทุกข์คือมันคิดเนี่ยอ่ามันคิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่พอใจแต่มันเป็นทุกข์เนี่ย ท่านดูปุป๊บท่านรู้เลยท่านจะรีบเปลี่ยนกิริยาบททันทีถ้าติดสุขท่านก็ไม่ให้ติดสุขท่านจะทำอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาท่านจะเปลี่ยนอย่างเมื่อเย็นนี้เช่นเดียวกันเห็นไหมที่เราเดินไปเดินไปนั้นยืนยืนยกมีอารมณ์หนึ่งนั่งยกก็อีกอารมณ์หนึ่งอตอนเดินก็อีกอารมณ์หนึ่งนี่พอลมพัดมา ถูกต้องกายเรามันก็อีกอารมณ์หนึ่งมันมีดีก็ไม่ดีครั้ น, นี้เราไม่ได้ไม่ได้พิจารณาจิตของเราที่มันเคลื่อนไหวอยู่ครั้ น, นี้ก็เราไปจับอยู่แต่อารมณ์ทางกายแต่เราไม่ได้ดูอารมณ์ทางจิตสัมผัสทางจิตหลวงพ่อเคยบอกว่าให้ดูนะดูอารมณ์ทางกายมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็อารมณ์ทางจิตนั้นอนะ่ะมันเกิดขึ้นอย่างไรให้สัมผัดอยู่นี้ อ่าระหว่างดูกายอารมณ์ทางกายเจดสิบเซนท่านบอกอ่าให้ดูอารมณ์ทางจิตปรุงแต่งนั้นอ่ะสสิบเซแล้วมาดูที่ว่าเราสัมผัส ต, ตัวไหนที่ว่าอ่าเป็นวิปัสนาตัวแล้วตัวไหนที่เป็นสมถะเพราะว่าวิาวปัสนากับสมถะนี้มันไปคู่กันอ่าอาตมาก็เลยมาจับจุดได้ตรงตรงนี้ที่ที่หลวงพ่อชี้ให้แล้วก็ อัตมาก็เลยใช้ตัวนี้เป็นประจำครั้นี้มันก็เลยกลายเป็นสองอารมณ์อารมณ์ของทางนามรูปและอารมณ์ของรูปนามเออเราไปอยู่ทางกายก็เป็นสมถะถ้าเราอยู่ทางจิตก็เป็นวิปัสนาเออมันจะแยกของมันออกครั้นี้เราไปเห็นแล้วเราก็ไม่ไม่หวั่นไหวเพราะว่าจิตของเราไปเห็นสัมผัส ต, ตัวนี้จริงๆแล้วอ่ามันไม่มีสงสัยเออเพอเห็นแล้วก็มันก็ปล่อยไปทิ้งไป สักว่เสียงนี่เราไม่ได้ไปวาดสักว่าเสียงแต่กระทบเสียงปุ๊บมันหลุดทุกมันเองเราไม่ต้องไปพยายามเจตนาอเจตนาให้มันหลุดนี่มันจะเป็นยยอยู่อย่างนี้ตลอดเวลากระทั่งต่อเนื่องอไม่แม้แต่นอนก็เหมือนกับที่ว่าเราเหมือนกับมีคนนะนะั่นน่ะมาปลุกเราแต่ที่จริงมันไม่มีไข่หรอกแต่สติของเรานะั่นะนะ่ะมันเกิดอยู่ตลอดเวลา มันดูอยู่ตลอดเวลาเพราะาเราเพียนอยู่เพียรดูตักแต่ทั้งวันตลอด24ชั่วโมงเนี่ยบทหลวงพ่อทําไมไม่ให้หยุดท่านทำไมถึงคุมให้เรานั้นหาอยู่ในตัวสติต่อเนื่องการเดินการเคลื่อนการไหวทางกายนี่ต่อเนื่องเพราะอะไรท่านอยากให้เราลุนั้นได้สมถะก่อนเออแต่ว่าอารมณ์ของทงั้งจิตนั้นน่ะท่านยังไม่อยากให้สัมผัสเพราะอะไรเพราะว่ากลัวไปหลงเพราะว่าจิตมันไว เว็บเว็บเว็เลยอารมณ์มันเปลี่ยนตละช็อตตละช็อตเนี่ยนั่งแค่แต่นาทีเดียวเนี่ยมันขึ้นเป็นห้าสิบกสิบเรื่องเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดครนี้ถ้าเราโมแบบว่าเราเบื้องต้นเราต้องดูกายเคลื่อนไหวก่อนกําหนดดูเอาสติไปดูกายเคลื่อนไหวก่อนจนว่ามันต่อเนื่องมันลูกโซ่จริงๆแล้วนั่นะน่ะเดี๋ยวมันเปลี่ยนของมันเองทูลุทาให้หลวงพ่อทําไมถึงต้องเรา ต้องเล้าต้องโลมจิตของเราอยู่ตลอดเวลาปลกเราอยู่ตลอดเวลาเพราะใดท่านอยากให้เรารู้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้มันก็อาตมาเนี่ยงงเข็มแปบเพีอะไม่รู้ไม่รู้จักอารมณ์ตัวนี้เลย ก, ก็ยังว่าอาจารย์พงนะ น, น่นแอละกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดก็โทรไปหาตลวงตาเนี่ย หลวงตาก็มาจากเทพประทางก็ไปช่วยหลวงพ่อวิไลมาก็มาอยู่ได้แค่ไม่กี่วันก็อาทิตย์นึงนี่แหละครับคุเดียพระอาจารย์บอกว่าหลวงพ่อจะมาเขา้าค่ายที่พเยาไปก็เขาไปไปกับหลวงพ่อไหมบอกไปเพืวันนั้นมันนอนไม่หลับนะมันดีใจเออมันดีใจที่ว่า น, นอนไม่หลับเลยก็เตรียมของไว้เตรียมของไว้อันนี้ก็โทรมาหาพระอาจารย์พงศ์อีกอ่า ผอมาหาไปแน่นะอาจารย์บอกไปแน่ไปแนไ่ไม่ต้องกลัวว่าไม่ไปต้องไปแน่แน่เพราะว่าผมรู้ตัวผมดีว่าผมแย่ไฟมันเริ่มมันเริ่มพลาวเบาล่างเธอว่มันเบาแล้วมันไม่มีการสว่างแล้วมันมีแต่ติดอารมณ์อย่างเดียวติดเรื่องการก่อสร้างเนี่ยอืเพราะว่าหลวงตาไปก็เป็นก่อสร้างแล้วก็พายาโยมปฏิบัติมันก็้าบางทีเราไปสอนเขาก็ไปติดอารมณ์โยมอี เนี่ยมันเบาแล้วมันไม่สว่างแล้วมันมองเห็นเลยว่ามันโอ้อันนี้ไฟเราอันนี้มันเริ่มมันเริ่มเบาแล้วครั้นี้ก็ไปเข้าค่ายกับหลวงพ่อก็รู้สึกว่าเรามันมีเชื้อเชื้ออยู่ครั้นี้มันก็เข้าเข้าใจได้ไวอ่าสิ่งหลวงพ่อโดยมากพ่อแค่ไม่สอบอาก็ได้คําพูด ก็สังเกตดูแล้วหลวงพ่อท่านจะทําให้ดูเลยบางทีนี่ท่านเดินไปไปยิย้มเียบอย่างเงี้ยท่านก็ไปออันนี้อะไรอันนี้อันนี้เอ๊ะมะม่วงไอ้ต้นไม้นี่มันเป็นยังไงอือแร้ปลูกก้านที่มันเกิดขึ้นเองอันไหนดีกว่ากันท่านก็ถามเอาจจะมากันเลยบอกว่ามันเกิดดีกว่าหลวงพ่อดีกว่าเราปลูกเออหลวงพ่อท่านก็จะยิ้มไม่ยิ้มกันไม่ไม่ไม่เข้าใจหลวงพ่อก็เลยเดินเดินไปแล้วก็มาคิดอยู่เอ๊ะ ะระหว่างที่เราปลูกเองการที่มันขึ้นธรรมชาติเนี่ยโอ้ที่เราเดินจงกรมวันนั้นอาตอมาเดินเดินจงกรมอยู่เพราะว่าหลวงพ่อไปเห็นมันก็ลอยลอยหนูเหมือนลอยหนูเอมันหาที่เดินก็ไม่ได้เพราะว่าบนภูเขาเออครั้นี้หลวงพ่อก็ไม่อยากให้ห่างสายตาท่านนั่นแหละอยากท่านก็นดูคอยดูคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาคอยเปลี่ยนเวาระจิตอยู่ตลอดเวลา จะเป็นเราจะเป็นคนเก่าคนใหม่ท่านไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านั้นแต่ฉันเนี่ยจะต้องดูหน้าที่ของฉันฉันก็ต้องทำอย่างนี้ให้เธอนันอะ่ะดูแล้วให้เธอเห็นแล้วเธอได้สัมผัสได้ตัวเองแล้วเธอจะได้แก้ไขได้ถูกต้องอมาเห็นนะที่ท่านไม่ใช่ว่าท่านพูดนะแต่ไปเห็นความชิดของท่านอันนี้เป็นเรื่องจริงเอออันนี้หลวงพ่อนี่เจตนาให้พวกเรา น, นี้ทุกคนนี่เป็นอย่างนี้จริงๆ อ้อท่านไม่ได้พูดหรอกแต่เรารู้วาลจิตของท่านเลยว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆก็ถึงว่าดูจิตขท่านออกเออไม่ไม่สงสัยคร น, นี้ไม่สงสัยเลยการกระทําของหลวงพ่อนั้นทุกกิริยาบทพยายามให้ทั้งทั้งพระทั้งโยมเรียนรู้ประสบการณ์ด้วยตนเองอก็มีวันหนึ่งหลวงพ่อขึ้นท่านไม่บอกหรอกนะ อืจะขึ้นไปบนเขาท่านก็ไม่บอกนะอืมีท่านบอกบอกว่าให้สลับลมกับตะกายตอนที่เราเราก้าวขึ้นอย่างเงี้ยก้าวขึ้นบันไดเนี่ยเอให้รู้เบื้องล่างอาให้รู้อารมทางกายเคลื่อนแล้วก็ให้รู้อารมทางที่ว่าเราเคลื่อนทางอา่าทางลมทางจมูกเออมันสลับกันมันเบามันเบาอีกเบาเหมือนกับเราไม่ได้เดินเลยคันเนี้ยอืม มันเดินก้าวพอดีพอดีบังทีพอพอที่ว่าเราจะติดอารมณ์ตัวเบาหน่อยหลวงพ่อก็พาหยุดละมันก็อย่างท่านรู้จิตแต่ละคนแต่ละคนทุกคนเลยอท่านจะจะคอยอะจะคอยเลา้าเปลี่ยนกิริยาบททางจิตวิญญาณของเราเนี่ยเห็นได้ชัดนี่เนี่ยอัตมาถึงบอกว่าไม่มีไม่มีที่ไหนอีกอไม่มีที่ไหนอีกที่ว่า ที่จะทำได้อย่างนี้โดยมากจะมีแต่รูปแบบใช้รูปแบบเป็นปัจจัยก็จัดกันแบบว่าเอาแต่รูปแบบไปเสพ เ, เสพกาม เ, าเสพการกินกันอยู่กันกนอนแต่หลวงพ่อไม่ใช่อย่างนั้นนะกินต้องให้มีค่ า, เ, าเราต้องมีหน้าที่ค่าค่าอวิชชาคือค่าตัวที่ไม่รู้ในตัวเรานะทั้งค่านจริงท่านไม่เอาไว้เลย อันนี้ก็ถ้าบางคนถ้าไม่รู้ว่าท่านฝึกพวกเราให้เป็นคนเข้มแข็งไม่ให้อ่อนแเนี่น่าจะขอบคุณเออมันไม่มีแล้วอ่ะไม่มีไม่มีที่ไหนครูบาอาจารย์ที่ว่าจะพาพาลูกๆทำกันขนาดนี้ท่านก็กินมื้อเดียวเหมือ น, นเราเออท่านก็ปบฏบิบัติเหมือนเราทุกอย่างตลอด24ชั่วโมงชิ้นเดียวกัน นอนท่านก็ น, นอนหรือไม่นอนอาตมาก็ไม่รู้แต่ตื่นมาที่ไรก็เห็นแต่ท่านเนี่ยมานั่งก่อนทุกทีไ อ, อก็ไม่รู้ว่าท่านนอนกันหรือเปล่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆคราวนี้เราก็จะมาทำตามอย่างอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องทำตามอย่างท่านนะได้ดีถ้าเดินทางทางที่ท่านสอนที่ชีแ้แนะแนวพูดให้ฟังทำให้ดูแล้วเราดูแล้วเราสัมผัสให้เห็นว่าท่านทาอะไรในปัจจุบันนี้ ท่านยังไม่กลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยท่านไม่กลัวไม่ไ ม, ม่มีกลัวทัานสอนไม่ให้กลัวอท่านท่านพูดบอกว่าให้เรารู้ทุกนะเออให้เรารู้ทุกถ้าเราไม่รู้ทุกอ่าเราก็ไม่ไม่เจอของดีหรอกถ้าเราไม่รู้ทุกแล้วโดยมีดีทุกอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอสุดท้ายนี้ก็ขอให้พ่อขาวแม่ขาวอ่าและญาติยาติทำทั้งหลาย จงได้พบความสำเร็จในธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นอยู่เบื้องหน้าและใกล้นี้ทุกรูปทุกนามเธอ